เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบกุ๊มภาพัน์พุทธศักราช2553เป็นวันที่ท่านทั้งหลาย ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญมาประพฤติมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธ mm hmm. เจ้าเนื่องจากมีศรัทธาความเชื่ออย่างแน่วแน่ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้จะมีคนกระเสริฐเท่ากับพระธรรม ของพระพุทธเจ้าพระธรรมนี้ก็มีอยู่สองส่วนหรือสองลักษณะด้วยกันคือส่วนที่เป็นเหตุและส่วนที่เป็นผลส่วนที่เป็นเหตุก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราทําดีละบาปชราระจิตใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์ถ้าเรา ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้แล้วเราก็จะได้ทาที่เป็นผลคือความหลุดพ้นจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานที่เป็นทรัพย์อันประเสริฐเป็นทรัพย์ที่แท้จริงเพราะจะเป็นทรัพย์ที่จะอยู่คู่กับ ดวงจิตดวงใจของเราไปตลอดอนันตการต่างกับทรัพย์ต่างๆในโลกนี้ที่จะอยู่คู่กับกายของเราไปเมื่อกายหมดสภาพไปเมื่ อ, อไรทรัพย์ทั้งหลายที่เราหากันมาได้ก็จะกลายเป็นของผู้อื่นไปเช่นเวลาเราตายไป ทรัพทั้งหลายที่เราไม่อยู่ก็จะเป็นของผู้อื่นไปแต่ทรัพภายในที่เกิดจากการบำเพ็ญจากการปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าคือความสุขความเจริญในจิตในใจความอิ่มเอิบใจความพอใจความปราศจาก ความวุ่นวายใจต่างๆจะเป็นทรัพย์ที่ติดไปกับใจของเราจะพาใจของเราให้ก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับจนถึงจุดสูงสุดของความสุขใจของความอิ่มใจของความปราศจากความทุกข์ต่างๆภายในใจนั่นก็คือพระนิพพานที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ได้มีไว้เป็นสมบัติคอบครองต่อจากเหตุที่ท่านได้บำเพนกันคือท่านทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมท่านละบาป ท, ทั้งปวงได้และท่าน <c oughs> ชำระใจของท่านให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ปราศจากความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหา ที่เป็นเหตุที่จะพาจิตใจให้ไปเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยในภพใหญ่ไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไปทุกข์กับความพัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบอย่างที่พวกเรายังต้องสัมผัสยังต้องประสบพบกันอยู่ในชาตินี้และในชาติต่อๆไป จะมากหรือน้อยก็อยู่ที่ว่าเรามีความสามารถที่จะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้หรือไม่ได้มากน้อยเพียงไรถ้าปฏิบัติมากพบชาติก็จะเหลือน้อยถ้าปฏิบัติไม่ได้หรือปฏิบัติได้น้อยพบชาติก็จะเหลือ มาถ้าปฏิบัติได้ถึงขั้นพระอริยเจ้าคือตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปภพชาตินี้ก็จะเหลือไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้าได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วผู้ที่บรรลุนี้ถ้ายัางไม่สามารถที่จะบรรลุทำขั้นสูงกว่า ได้เวลาตายไปก็จะมีภพเหลือไม่เกินเจ็ดภพจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกินเจ็ดภพก็จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้โดยที่ไม่ต้องพบกับพระพุทธศาสนาอีกก็ได้เพราะมีพระพุทธศาสนาอยู่ภายในใจแล้วเพียงแต่ว่า ยังไม่สามารถปฏิบัติได้เต็มที่เท่านั้นเองแต่จะปฏิบัติไปเรื่อยๆื่ะจะได้บรรลุถึงพระนิพพานได้ไม่เกินเจดชาติและชาติทั้งเจดนี้ที่จะมาเกิดนี้จะไม่เป็นชาติของเดรัจฉานจะไม่เป็นชาติของเปรตหรือของนรก จะเป็นชาติของมนุษย์นี่คืออันทีสูงในเบื้องต้นถ้าเราสามารถปฏิบัติถึงขั้นพระโสดาบันได้และพระโสดาบันนี้ท่านเป็นพระโสดาบันได้อย่างไรท่านเป็นได้เพราะท่านได้ละสังโยชน์ซึ่งเป็นเหมือนกับพันธนาการ ที่ผูกจิตให้อยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏสังโยชน์สามประการที่พระโสดาบันละได้แล้วมีอะไรบ้างคือหนึ่งละวิจิกิจฉาความสงสัยความนำเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือยังไม่รู้ว่า พระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงที่ได้ประโยชน์อย่างที่ทรงจัดไว้หรือไม่และพระอริยสงสาวกว่ามีจริงหรือไม่คือพระที่บรรลุธรรมจากการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี่คือสิ่งที่ เป็นข้อลังเลสงสัยในจิตใจของปุตุชนอย่างพวกเราทั้งหลายเพราะว่าเรายังไม่มีดวงตาเห็นธรรมเรายังไม่ได้ปฏิบัติจนจิตของเรานี้ดิ่งลงสู่กระแสของธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นกระแสของของความสุขความเจริญ ของความดีงามทั้งหลายที่จะพาจิตของผู้ที่ได้เข้าสู่กระแสนี้ไปสู่พระนิพพานแต่ถ้าได้ปฏิบัติทานคือการให้อย่างสมบูรณ์คือไม่เก็บเอาไว้มากกว่าที่จาเป็นจะต้องมีเช่นพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาโลกทั้งหลาย ท่านมีสมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไรมีบริสัทมีบริวารมากน้อยเพียงไรก็ตามท่านถือว่ามันไม่เป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีพของท่านท่านก็สละหมดเลยสละบ้านสละครอบครัวสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสละยศถาบรรดาศักดิ์สละหมด เอาไว้เพียงปัจจัยสี่ที่มีความจำเป็นต่อร่างกายเท่านั้นเช่นพระพุทธเจ้าก็ทรงมีผ้ามีเครื่องนุ่งห่มคือไว้สำหรับสวมใส่เพียงชุดเดียวตอนที่ทรงเสด็จออกจากพระราชวังไปแล้วก็ไม่มีอะไรติดตัวไปเลยทรงสละหมดไปตายดาบหน้า ไปหาเอาข้างหน้าอาหารก็บินฑบาตขอเขารับประทานไปที่อยู่อาศัยก็หาอยู่ตามถ้ำบ้างตามโคนไม้บ้างตามเรือนร้างบ้างยารักษาโรคก็ใช้ดื่มน้ำปัสสวะที่เรียกว่ายาดองน้ำมูดน่าวนี่เป็นยารักษาโรค ของผู้ที่มุ่งต่อการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดการอยู่ก็อยู่แบบขอทานบิณฑบาทสุดแท้แต่จะได้อะไรมาก็รับประทานไปตามมีตามเกิดไม่ได้ปรุงแต่งคิดถึงอาหารชนิดต่างๆอย่างพวกเราที่ก่อนจะรับประทานอาหารกันสักแต่ละมือ ต้องนั่งคิดปรุงแต่งกันเสียหลายรอบว่าวันนี้จะรับประทานอาหารอาหารอะไรดีจะไปรับประทานที่ไหนแต่สำหรับผู้ที่เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วจะไม่ยึดติดกับเรื่องอาหารว่าจะต้องเป็นอาหารชนิดใดเพียงแต่ขอให้ได้อาหารที่สามารถมาเยียวยา ดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ไปได้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน<ๆ>เพื่อจะได้ใช้ร่างกายนี้มาบำเพ็นมาปฏิบัติมาทำทำจิตทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเดินจงกรมด้วยการเจริญปัญญา เจริญใจรักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาจนสามารถตัดกิเลสตัดตัญหาความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจได้นั่นคือสิ่งที่ท่านมีผู้ที่เสียสละที่แท้จริงต้องสละแบบนี้คือสละหมดเลยไม่เอาเอาไว้เลยส่วนเกิน สามีก็ไม่เอาภรรยาก็ไม่เอาลูกก็ไม่เอาบ้านก็ไม่เอารถยนต์ก็ไม่เอางานการต่างๆก็ไม่เอาสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆก็ไม่เอาเพราะเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นกองทุกขมากกว่าเป็นกองสุดเพราะไม่เที่ยงนั่นเองเพราะจะต้องพัดพรากจากกันไปในที่สุด เวลาตายไปทุกสิ่งทุกอย่างนี้เอาติดตัวไปไม่ได้เลยเอาไปแต่ใจที่สร้างบุญหรือสร้างบาปไปด้วยเท่านั้นเองดังนั้นท่านจึงไม่สร้างบาปเพราะท่านเห็นโทษของการสร้างบาปว่าเป็นเหตุที่จะพาให้ไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปตกในรบไปเป็นเปรตเป็นต้น ท่านก็เลยละบาปทั้งปวงเมื่อท่านละบาปทั้งปวงได้ท่านก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายเพราะหลังจากที่ปฏิบัตินั่งสมาธิและเจริญวิปัสสนาใจก็จะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นว่ากรรมนี่แหละเป็นเหตุที่จะทำให้สัตว์โลกไปเกิดในที่สูงที่ต่า กรรมนี้ละเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความสุขหรือเกิดความทุกข์ขึ้นมาภายในจิตใน ใ, นใจเมื่อเห็นอย่างนี้ก็จะมีความเชื่อมั่นในหลักกรรมจะไม่ทำบาปทำกรรมต่อไปคือพระโสดาบันนี้เมื่อมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็จะ ไม่หลงงมงายกับพิธีกรรมต่างๆที่จะมาแก้บาปต่างๆเช่นอย่างคนที่ทำกันในสมัยนี้เวลาทำบาปทำกรรมหรือเวลาต้องรับวิบากรรมก็รีบไปทำบุญถวายสังฆทานก้าววัดก้าวรูปกันคิดว่า ทำแล้วจะสะดเดาะเคราะห์ได้จะกําจัดวิบากที่ตนเองทำได้แต่นี่ทำไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นการทำบุญซึ่งเป็นสิ่งที่ดีก็ตามแต่บุญที่ทำในวันนี้นั้นก็มีอนิสง์ของบุญเขาคือในวันหน้าทานที่เราทำนี้ก็จะออกดอกออกผลให้กับเราแต่ ทานที่เราทํานี้ไม่สามารถจะไปลบล้างความทุกข์ความวุ่นวายใจหรือปัญหาต่างๆที่เกิดจากการกระทำที่ไม่ดีของเราได้มีแต่การที่ไม่ทําบาปเท่านั้นที่จะกําจัดได้แต่เป็นการกําจัดความวุ่นวายใจในอนาคตความวุ่นวายใจที่เกิดในปัจจุบันที่เกิดจากการทําบาปในอนดีตนี้ เป็นสิ่งที่เราต้องรับกันไปแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องปัญหาอย่างไรใจของเรานี้สามารถรับกับวิบากกรรมได้ทุกชนิดวิบากกรรมจะใหญ่ยิ่งขนาดไหนจะไม่สามารถมาทําลายใจของเราได้เพียงแต่มาสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้กับเราได้ถ้าเราไม่มีดวงตาเห็นธรรม แต่ถ้าเรามีดวงตาเห็นธรรมแล้วเรายอมรับวิบากกรรมของเราความทุกข์ทรมานใจก็จะไม่มีอยู่ในใจของเรานี้แต่เพียงส่วนที่เกิดขึ้นภายนอกเช่นเราอาจจะต้องเสียสมบัติเข้าของเงินทองไปเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปเสียคนนั้นคนนี้ไปแต่ก็จะเสียเพียงเท่านั้น แต่จะไม่มีความทุกข์ทรมานภายในจิตในใจแต่อย่างใดเพราะยอมรับหลักของกรรมนี้เองว่าเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำกรรมอันใดไว้แล้วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น <c oughs> นี่คือหลักความจริงที่เรียกว่าธรรมะที่พระโสดาบันได้เห็น ผู้ใดที่ได้เห็นธรรมะนี้แล้วก็จะไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านี้เองเป็นผู้ที่สอนเรื่องหลักกรรมอันนี้ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมดังนั้นถ้าเราเห็นหลักกรรมอย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นหลักตายตัว ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราก็จะตั้งมั่นอยู่ในการทำความดีเราจะไม่ทำบาปอีกต่อไปพระโสดาบันก็จะละสังโยชน์ที่เรียกว่าศีลพัตประมาสได้คือความลังเลสงสัยหรือความลูคบคลำในเรื่องศีลธรรมอย่างพวกเรานี้บางทียังไม่แน่ใจว่ารักษาศีลไปแล้ว จะได้ผลดีหรือไม่เพราะเรามักจะเห็นคนที่ไม่มีศีลมีธรรมกลับได้ดิบได้ดีคนที่โกงนี้กลับได้จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะรักษาศีลไปแล้วเราจะขาดทุนหรือเปล่านี่แสดงว่าเรายังไม่เห็นผลที่เกิดขึ้นภายในใจของผู้ที่ไม่รักษาศีลหรือของผู้ที่รักษาศีล ผู้ที่รักษาศีนั้นจะมีจิตใจที่สงบที่มีความมั่นคงมีความสบายใจส่วนผู้ที่ไม่รักษาศีนทำบาปทำกรรมจะเป็นผู้ที่มีจิตใจวุน่นวายมีแต่ความกังวลใจนี่คือสิ่งที่เราไม่เห็นกันถ้าเรายังไม่เห็นภายในใจเราเราจะไม่มีความมั่นใจในการรักษาศี แต่ถ้าเราเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าเวลาไม่รักษาศีลนี้ใจของเราจะกระสับกระส่ายกวนกวายทุกข์ทรมานมากแต่เวลาที่เรารักษาศีลแล้วเราจะมีความสงบลงเย็นเป็นสุขถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราจะไม่อยากจะทำบาปจะไม่กล้าทำบาปอีกต่อไปนี่คือการเห็นธรรมของพระสดาบัน เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็จะเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าไปตลอดชีวิตจะรักษาศีลห้ายิ่งกว่าชีวิตของตนสมมุติว่าจะต้องเอาชีวิตไปแลกกับศีลห้านี้ท่านยินดีที่เสียชีวิตยอมเสียชีวิตดีกว่าไปทำถึดศีลห้าเช่นผู้อื่นจะมาฆ่าท่านแทนที่ท่านจะฆ่าเขาเพื่อป้องกันตัวท่าน ท่านจะยอมให้เขาฆ่าถ้าหนีไม่พ้นถ้าหลบไม่พ้นถ้าหลีกไม่พ้นก็ยอมให้เขาฆ่าแต่จะไม่ยอมฆ่าเขาโดยเด็ดขาดนี่ก็คือลักษณะของพระโสดาบันผู้ที่ละสังโยชน์คือความลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ความลูปครในศีล คือสีลพัทธปรามา m พระโสดาบันนี้จะไม่ไปสะดอกเคราะห์จะไม่ไปหาหมอดูจะไม่ไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนอะไรต่างๆตามที่เขาบอกเล่าให้กระทํากันเพราะรู้ว่าการกระทําเหล่านี้ไม่ได้เป็นการสะดอกเคราะห์ในอดีตที่ ที่เคยทำมามีแต่การยอมรับความจริงทำใจให้สงบอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปยอมรับกรรมของตนเท่านั้นถ้ายอมรับแล้วใจจะนิ่งจะสงบจะไม่หวั่นไหวกับวิบากรรมที่จะเกิดขึ้นนี่คือสังโยชน์ที่พระโสดาบันละได้สองประการ และประการที่สาก็คื อ, อสักกายยัติฐิสกกายยัติฐิก็คือการมองเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราสําหรับพระโสดาบานันนี้หลังจากที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญปัญญาท่านจะสามารถแยกกายออกจากใจได้ใจจะแยกออกจาก กายจะเห็นอย่างชัดเจนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจไม่ใช่ผู้ที่ครอบครองร่างกายนี้อยู่ท่านจะรู้ว่าใจกับกายนี้เป็นคนละส่วนกันกายนี้เป็นเพียงดิ น, น้ำลมไฟไม่มีตัวตนมาจากเด่นน้ำลมไฟคือธาตุสี่ในรูปของอาหารต่าง อาหารที่เรารับประทานทั้งหมดนี้มาจากดินน้ำลมไฟเมื่อเข้ามาร่างกายก็จะแปลงเป็นอาการ32เป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นต้นแล้วก็จะอยู่ไปจนถึงวันสุดท้ายเมื่อร่างกายตายไปก็จะ กับคืนสู่ดินน้ำหล่นไฟไปนี่คือการเจริญปัญญาวิปัสนาของพระโสดาบันจนเห็นได้อย่างชัดเจนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเมื่อมเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็เลยไม่มีความเสียดายไม่มีความยึดติดในร่างกายอันนี้พร้อมที่จะให้มันตาย เมื่อถึงเวลามันจะตายเมื่อไหร่ก็จะปล่อยให้มันตายไปท่านจึงไม่ทำบาปทำกรรมเพื่อจะรักษาร่างกายนี้เอาไว้เหมือนปุถุชนอย่างพวกเราพวกเรานี้เวลาร่างกายเป็นอะไรเราต้องป้องกัน ร, ร่างกายเราก่อนเราต้องฆ่าเราก็ยินดีฆ่าเช่นถ้าเราอดยากขาดแคลนไม่มีอาหารจะรับประทานไม่มีเงินไปซื้ออาหารมาถ้าต้องไปยิงนกตกปลา เพื่อให้ได้อาหารมารับประทานก็จะต้องทำเพื่อที่จะรักษาชีวิตเอาไว้แต่ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วท่านไม่ยอมที่จะไปฆ่าไม่ยิงไม่ยิงนกตกปลาจะอยู่หากินอย่างอื่นไปตามมีตามเกิดหาผักหาอะไรกินไปอยู่ได้ก็อยู่ถ้าอยู่ไม่ได้จะตายก็ให้มันตายไป พอท่านรู้ว่าอย่างไรมันก็ต้องตายอยู่ดีไปยิงนกตกปลามากินมันก็ต้องตายเหมือนกันแต่ตายแบบทําบาสนีสู้ตายแบบไม่ทําบาสดีกว่าตายแบบทําบาบแล้วต้องไปตกนรกต้องไปเกิดเป็นนกเป็นปลาให้เขามายิงให้เขามาตกนั่นเองนี่คือเรื่องของพระสสดาบันถ้าท่าน ท่านสามารถที่จะตัดสัมโยชน์ทั้งสามประการนี้ได้ทำให้พบชาติของท่านนี้เหลือไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากนี่คือขั้นแรกของพระอริยเจ้าซึ่งมีอยู่ทั้งหมดสี่ขั้นด้วยกันขั้นที่สองและขั้นที่สามนี้เรียกว่าพระสกิดาคามีและพระอนาคามี ผู้ที่จะก้าวขึ้นสู่พระสกิดาคามีและพระอนาคามีได้นี้ต้องเป็นพระโสดาบันก่อนคือเมื่อได้เป็นโสดาบันแล้วขั้นต่อไปก็รู้ว่ายังมีสังโยชน์ที่ต้องกำจัดอยู่อีกสองข้อด้วยกันถ้าจะขึ้นไปถึงขั้นพระอนาคามีได้นั่นก็คือปฏิฆะกับกามราคะ การมราคะ t ี้แปลว่าความใคร่ความอยากในการเช่นอยากจะมีแฟนอยากจะมีสามีอยากจะมีภรรยาอยากจะหลับนอนกับคนนั้นคนนี้เรียกว่าการมาราคะส่วนปฏิฆะนี่คือความหงุดหงิดลำคาญใจเวลาอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากจะนอนกับคนนั้นอยากจะนอนกับคนนี้แล้วไม่ได้นอนด้วย ก็จะเกิดความโมโหงิดลำคาญใจเกิดความเกิดความไม่พอใจขึ้นมาผู้ที่จะต้องการจะละสัโยชน์ทั้งสองประการนี้ต้องจเจริญอสุภะกรรมฐานคือต้องพิจารณาความไม่สวยไม่งามของร่างกายอย่ามองแต่ส่วนที่สวยอย่างเดียวเพราะร่างกายนี้มีส่วนที่ไม่สวยด้วยแต่ถูกซ่อนอยู่ใต้ผิวหนัง แล้วถูกซ่อนไว้ในห้องน้ำเช่นเวลาคนเราไปเข้าห้องน้ำไปขับไปถ่ายสิ่งที่น่าเกลียดหน้าขยะขยงต่างๆออกมาจากร่างกายสิ่งเหล่านี้เรามักจะปกปิดกันทำให้เรามองไม่เห็นกันหรือสิ่งที่อยู่ใต้ผิวหนังเราก็มองไม่เห็นกันเช่นกระโหลกศีรษะเช่นโครงกระดูกเช่นหัวใจตับปอด กระเพาะลำไส้อย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่สวยในงานที่มีซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังของเราทุกคนนี่คือสิ่งที่เราไม่มองกันพอเราไม่มองสิ่งเหล่านี้เรามองแต่ภายนอกเห็นผมเห็นเห็นหน้าเห็นตาก็เกิดความใคร่เกิดความยินดีอยากจะหลับนอนด้วย แต่ถ้าได้พิจารณาได้มองอาการส่วนอื่นของร่างกายอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้มันมีผมขนเลืฟันหนังแล้วก็ยังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีตับมีไตมีม้าหัวใจมีปอดมีลำไส้มีสมองศีรษะแล้วก็มีน้ำต่างๆน้ำดีน้ำเลือดน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำหนอง น้ำปัสวะน้ำอะไรต่างๆมากมายอยู่ภายในร่างกายของเราถ้าเราพยายามมองอยู่เรื่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆถึงความไม่สวยถึงส่วนที่ไม่สวยงามภายในร่างกายจนกระทั่งติดตาติดใจเวลามองใครแล้วจะไม่เห็นว่าสวยว่างามเราก็จะสามารถตัดการมาราคาได้ตัดความไข่ความยินดีในการได้ เราจะไม่อยากหลับนอนกับใครเพราะเรากำลังเพราะเรานี่คนที่เราอยากจะหลับนอนด้วยนี้นก็เป็นเหมือนผีที่ยังไม่ตายเท่านั้นเองรอเพียงแต่ให้ไม่มีลมหายใจเท่านั้นเองถ้าคนที่เราเคยหลับนอนด้วยถ้าเกิดเขาตายไปในวันนี้คืนนี้เราจะกล้าหลับนอนกับเขาหรือไม่ทั้งทั้ที่เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปเขาก็ยังเหมือนเดิมอยู่ เพียงแต่ไม่หายใจเข้าออกเท่านั้นเองแต่เรากลับไม่กล้านอนกับเขาเสียแล้วกลับกลัวเขาเสียแล้วเพราะเราเริ่มเห็นความไม่สวยงามของเขาแล้วแต่ในขณะที่เขายังมีลมหายใจอยู่เรากลับมองไม่เห็นกันเพราะอะไรเพราะเราไม่คิดกันเท่านั้นเองเราไม่พิจารณากันถ้าเราพิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆ เราพิจารณาปฏิกูลสิ่งสกโปกต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายอยู่เรื่อยๆโดยกระทั่งเห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลาเราจะไม่มีความใคร่ในร่างกายของใครอีกต่อไปต่อให้เป็นดาราภาพยนต์เป็นนายแบบนางแบบเป็นนางงามจากกวาก็ต่างจะไม่มีความใคร่เลยเพราะเห็นแล้วว่า มันไม่ได้เป็นอย่างที่เมื่อก่อนเห็นกันหรือมือคนอื่นเห็นกันเห็นทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังถ้าเห็นอย่างนี้ได้แล้วก็จะบรรลุได้เป็นพระอนาคามีได้ถ้าเห็นบางเวลาเห็นแล้วบางเวลาก็ไม่เห็นอย่างนี้คือเห็นบ้างไม่เห็นบ้างมีความอยากบ้างมีความเบื่อมากอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นขั้นของพระสกิดาคามี ขั้นที่สองนี้จะยังไม่ตัดได้ร้อยเปอร์เซ็นจะตัดได้ทำให้เบาบางลงไปได้เรียกว่าไม่มีความาคลั่งไคล้เหมือนกับพระโสดาบันพระโสดาบันนี้ยังมีความาคลั่งไคล้ในเรื่องของกลางอยู่ยังอยู่กับสามียังมีภรรยาเพียงแต่ว่าท่านจะไม่ประพฤติผิดประเวณีเท่านั้นเองคือ จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื่นถ้าจะหลับนอนก็จะหลับนอนกับสามีของตนเท่านั้นนี่คือขั้นของพระโสดาบันแต่ยังอยากมีสามียังอยากมีภรรยาอยู่แต่พอเริ่มทิจณาอสุภะไปแล้วก็จะเกิดความเบื่อบ้างอยากบ้างแทนที่จะเคยหลับนอนกันทุกวันทุกคืนก็จะชักจะเบื่อละนานๆสักทีหนึ่ง เวลาอยากจริงๆแล้วถึงค่อยหลับนอนกันแต่เวลาเห็นว่ามันไม่สวยในงานก็จะเบื่อไม่อยากหลับอยากนอนอย่างนี้ก็จะเป็นพระสะกิดาขคามีแต่พอถึงขั้นถึงพระอนาคามีแล้วนี่จะเบื่อตลอดเวลาจะเห็นตลอดเวลาว่าอยู่กับผีดิบแท้ๆอยู่กับซากศพแท้ๆแล้วอยากจะไปหนับนอนกับซากศพได้อย่างไรนี่ก็จะเป็นพระอนาคามีขึ้นมา ถ้าได้เป็นพระอนาคามีแล้วถ้ายังไม่ได้บรรลุเป็นพระอารหันต์ถ้าตายไปก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็จะบรรลุเป็นพระอารหันต์ในลำดับต่อไปแล้วก็จะเข้าถึงพระนิพพานไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือพระอาริยเจ้าทั้งสี่ระดับคือพระโสดาบันพระสกิดาคามี พระอาคามีและพระอาหารหันต์นี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ทําความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้หละบาป ท, ทั้งปวงและชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราสามารถบําเพ็ญปฏิบัติอย่างที่พวกเรามาปฏิบัติกันในขณะนี้ได้อย่างต่อเนื่องและ ได้มากขึ้นไปเรื่อยๆรับรองได้ว่าสักวันหนึ่งอริยมรกอริยผลก็จะเป็นสิ่งที่เราจะได้รับอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาบำเพ็ญมาศึกษามาปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ท่านได้นำเอาไปพิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป